ผู้ทรสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสัสนรยมสนทนาค่ะกลับมาที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวเอฟเอกันเป็นประจำในายามเช้า ต, ตรู่ท่านเองก็พยายามที่จะทำให้รายการนี้ได้เกิดประโยชน์กับท่านให้มากที่สุดนะคะซึ่งในตอนนี้ก็มีการปรับให้ท่านได้ฟังการสนทนาธรรมมากยิ่งขึ้นแล้วจะให้ท่านได้มีโอกาส ฝึกปฏิบัติด้วยนอกนอจากการฟังธรรมแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งเดี๋ยวิฉันก็จะไปกรารฒนาพระภิกษุที่ได้ร่วมทำรายการนี้ให้ธรรมะกับท่านมาเป็นเวลาช้านานแล้วในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติกับการฟังธรรมว่าส่งเสริมกันอย่างไรนะคะใกรานนวัสการพระไทยบุญอภิปุญโธ ด, ด้วยกันเลยคะ่ะนวันการกับทคะเจริญบาน ในเรื่องของการปฏิบัติที่เราจะนำมาในตอนต้นของรายการวันนี้ก็จะพูดถึงสองส่วนคือส่วนที่เป็นการทาสมาธและวิปัสสนาโดยให้ท่านผู้ฟังได้มีสติอยู่ในลมหายใจซะก่อนเพื่อที่จะทำจริงองเราให้มีความสงบในระดับหนึ่งโดยการสังเกตเข้าถึงลมหายใจที่เข้าที่ออกอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมตอนนี้เราฝึกที่จะจัดการกับจิต นะไม่ใช่ลมหายใจลมหายใจให้ปลายเป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วให้จิตของเรามาระลึกถึงลมหายใจนะแค่เอาใจจดใจด จ, จอ่อยอยู่กับลมหายใจนะที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่เราพอจะรู้สึกหรือรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจไดนะ้เอาจุดนั้นเป็นหลักให้จิตของเราตั้งเอาไว้ที่นีนะ่การตั้งไว้ที่นี่คือสติที่ตั้งขึ้นละในขณะที่สติตั้งขึ้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าตราาัสไว้บอกว่าผู้ที่มีสัมมาสติเนี่ย จะทำสมาสมาธิให้เกิดขึ้นอันนี้จะเป็นฐานะที่เป็นไปได้เมื่อไรก็ตามที่ใจของเรามาอยู่กับลมหายใจสติตั้งขึ้นได้นะ ส, สมาธิก็เกิดมีขึ้นเมื่อเรามีสมาธิมีจิตตั้งมั่นเป็นโรมณ์เดียวอย่างนี้ลองพิจารณาถึงความจริง5ประการที่พระเจ้าได้เคยพูดถึงเรื่องของเทวตูตต่างหาเทวตูตต่าง5นี้จะมาอยู่ในหมู่มนุษย์อยู่ตลอดเวลา แต่้แต่เราเกิดมาจนเราตายเนี่ยเราจะได้มีโอกาสเห็นเทวทูตตั้ง5นะ้านซึ่งเทวทูตที่หนึ่งพระเจาตรัสไว้ก็คือเรื่องของคนที่เกิดนะบุคคลที่เกิดมาใหม่ๆยังเป็นเด็กอ่อนนอนแบะเบาะ ก, กลิ้งเกลือกจมอยู่ในกองมูดกองคุ้ยของตัวเองบุคคลที่มีปัญญาเมื่อเห็นมนุษย์ผู้ที่เกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะต้องมีความคิดความดําเิตอย่างนี้ว่าถึงตัวเราเองก็มีความเกิดเป็นธรรมดา จะไม่ล่วงพ้นความเกิดไปได้นนะเราควรที่จะต้องทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจนี่คือเทวตุูที่1 ห, หรือเทวตุูที่2องนั่นะคือคนที่แก่นระบุคคลที่มีอายุอยาจจะเป็นชายก็ตามหญิงก็ตามอายุ80 90, ปี90ปีหรือ100ปนะีจากการเกิดเป็นคนชรามีสี่โกงครดหลังงอหลังค่อมถือไม่เท้า เดินงกงเกนเงิ่อนมีตัวสันเทิมล่วงไวัยหนุ่มสาวมีฟันหักผมหงอกสีษะล้านตัวเหี่ยวตัวตกกระบุคคลที่มีปัญญาเมื่อเห็นคนแก่ลักษณะนี้แล้วระควรจะมีความพิจรารณามีความคิดความดเ็จอย่างนี้ว่าถึงตัวเราเองนั่นก็มีความแก่เป็นธรรมดาจะไม่ลวงพลความแก่ไปได้ราควรที่จะต้องทาความดีทางกาย ทางวาจาและทางใจส่วนเทวตูต ท, ที่3คือคนเจ็บไข้ในมูมมนุษย์เราจะได้เห็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามเนที่เจ็บไข้ทนทุกข์นือนอนจมกองมูดกองคู้ของตัวเองต้องมีคนคอยประยุงให้ลุกให้เดินนะืป้อนอาหารให้แต่ถ้าเราเห็นแล้วเราต้องมีการพิจารณาว่าถึงตัวเราเองแล้วก็มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะไม่ร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ นะควรแท้ที่เราจะต้องทาความดีทางกายทางวาจาและทางใจส่วนเทวตุลที่4นะคือคนที่ถูกลงโทษพนะระราชาหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ตานะรวจสารต่างๆเขาจับโจรมาแล้วนะผู้ประพฤติผิดก็มีการลงโทษชนิดต่างๆนะเขียนบ้างให้จำคุกบ้างนะประหารบ้างนะซึ่งถ้าเราเห็นแล้วนะเราต้องพิจารณาให้เห็นว่าการลงอาญาต่างๆเหล่านี้ นะในปัจจุบันเนี่ยมันมีอยูนะ่ไม่ต้องพูดถึงอะไรในชาติหน้าถ้าไม่ได้ทำความดีเอไว้จะต้องถูกลงโทษหนักกว่านี้นะคิดได้อย่างนี้แล้วก็รีบทำความดีซะส่วนเทวทูต ท, ที่5นะที่เราจะเห็นอยู่ในหมู่มนุษย์นะคือคนที่ตายนะตายแล้ววันหนึ่งบ้าง2วันบ้างนะมีตัวเขียวเหลืองแตกสัน้นะมีนอนบ่อนชัยเข้าทั้ง9วทวารอยู่ ให้เห็นแล้วเราควรจะต้องพิจารณาว่าตัวเราก็ไม่ร่วม้นจากนี้แล้วก็มีความเป็นไปอย่างนี้เป็นธรรมดาก็จะต้องรีบทําความดีทางกายทางวาจาและทางใจสมถะและวิปัสสนานี้ต้องทําไปด้วยกันเป็นสิ่งที่เคียงคู่กันไปจะเป็นเขาเรียกว่าราชทูตที่จะนําข้อมูลข่าวสารคือนิพพานนํามาบอกให้เราทราบถึงก็ความตามที่เป็นจริงอย่างนี้เราพิจารณาอย่างนี้แล้วนี่แหละคือการทําสมถะวิปัสสนา ที่เขียนคู่กันไปะเจริบารค่ะสาธุค่ะนั่นเท่ากับว่าท่านเพริบูลได้นําประสูตรมาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในขณะที่คาดหวังให้ท่านได้ปฏิบัติธรรมตามที่ท่านเพบูลได้แนะวิธีในตอนต้นเอาไว้แล้วเจริบาร์ น, นะคะก็ย้ํากันอีกครั้งนึงว่าพอเปิดรายการนี้ปู๊ตั้งท่าเลยค่ะเตรียมที่จะนั่งสมาธิกันสักหน่อยนึงฟังพระสูตรอย่างเป็นระบบ ก่อนที่จะมาฟังในลักษณะของการที่เปิดธรรมของท่านเพรบูรณ์นะค ะ, อ, ะอันนี้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ด้วยน ะ, ะที่ว่าให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังนะคัคือคือตัวธรรมเองเนี่ยเป็นสมณะสักยะใช่เราก็ต้องในสายสักยะเนี่ยหน้าที่สองใน6อย่างคือให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังอย่างการณีนี้ที่เราเพิ่งปรับเปลี่ยนรูปแบบเาปรพระสูมาให้ฟังมีการปฏิบัติปรามไ ป, ป, ป, ปด้วย แล้วก็อย่างที่สองก็คือทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นเนี่ยให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดแล้วเราก็จ ะ, ะจะมีการอธิบายตามเรื่องตามราวที่พอจะทําความเข้าใจได้นั่นเองค่ะเท่ากับว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้รับทราบกันมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วข้อเตือนใจ ม, มีอยู่กับเราทุกวันทุกวันจากเทวทูต ท, ทั้งหลายนี่เองใช่ใชไหมคะใช่เทวทูตคือคนรอบข้างเราทั้งหมด เอาตั ว, เ, ตวเองด้วยอย่างนั้นไหมคะตัวตัวศัพท์นี่ก็คือเทวะก็คือเหมือนกับว่าความสุขความดีความงามว่างั้นเถอะคือทูต ท, <ฆ>ที่นําความดีมาให้คือ<ฆ>บางทีเราเห็นคนตายอย่างเงี้ยเราก็โอ้ยทำไมคนตายหน้าขออยากระแหวงไม่ดีเลยแต่จริงๆแล้วนําความดีมาให้นะเพราะว่าให้เราตั้งอยู่ในความดีอันนี้คือความหมายของคำวา่าเทวทูตนะ<ฆ>คือทําแล้วถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยจิตใจของเราจะน้อมไปในทางกุศลระดับเป็นความดี นี่จึงเป็นเทวทูตซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ามาในมาในประเทศพิดกนะที่อยู่ในมัชิมานิกายค่ะคือเท่ากับว่าเทวทูตเนี่ยมีอยู่ทั่วไปใช่ใ่มีทั่วไปเพราะว่าเกิดแก่เจ็บไข้เทวทูตที่สี่คือผู้ที่โดนอาจยาละครับใช่ถูกลงโทษด้วยประการต่างๆซึ่งก็อธิบายไว้โอ้โหโหดมากในสมัยก่อนนะ มันมันจะมีรายละเอียดเยอะเช่นเอามีดเปิดหัวสมองให้ออกนะแล้วก็เอาฐานแดงๆใส่ลงไปในสมองให้มันสมองมันโดดพลุ่งขึ้นมาอยงี้เขาก็จะเรียกวิธีนี้ว่ามอเขี้ยวน้ำส้มอย่างี้เป็นต้นคือถ้าสมมุติว่าจะคุยกันในเรื่องนี้สักวันหนึ่งก็น่าสนใจนะคะว่าในครั้งพุทธกาลเนี่ยเขามีวิธีลงโทษกันอย่างไรบ้างเพราะ วันนี้เทียนก็โชคดีนะคะท่านพิบูรลได้ส่งเว็บไซต์หน้าที่มีพระสูตรนี้มาให้ก็เลยได้อ่านในระหว่างที่สนทนากับท่านพิบูรลนั่นแหละคะ่ะเช่นนะคะเนี่ยให้วิธีนุ่มเปลือกไม้บ้างาคือเชือดหนังเป็นริ้วๆแต่ทำเป็นสองตอนตั้งแต่ใต้คอจนถึงเอวตอนหนึ่งตั้งแต่เอวจนถึงข้อเท้าตอนหนึ่งริ้วหนังตอนบนห้อยคลุมลงมา ปิดกายตอนล่างดูดังนุ่งเปลือกไม้มคือนุ่งหนังของตัวเองที่ถูกหันให้เป็นริว <S 2> <S 2> <S 2> น้วถูกไหมคะโอนมาก <S <S เลยใช่ค่ะเป็นต้นใช่เอทีนี้กลับมาเอายุคปัจจุบันดีกว่าอืมเกิดก็เห็นแก่ก็เห็นเจ็บก็เห็นตายก็เห็นบางคนนี่เห็นเกิดทุกวันแล้วพออยู่ห้องคลอด <S 2> <S 2> เป็นพยาบาลใช่แต่บางทีบางทีก็นึกไม่ออกกันนะคะว่าเป็นเทวดาที่มาเตือนนะคะค่ะอืมเราก็จะอาจจะเผลอเพลินไป นะจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นนะคุณต้องมีเหตุฉุกเฉินคุณก็เพลิดเพลินดาวคนนี้คนนี้แสดงว่าเราไม่ได้รับการเตือนนะเรายังไม่ได้สร้างความดีอันนี้เวลาประมาทปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ดีเราจะถูกเตือนด้วยอีกครั้งหนึ่งตอนที่เราตายไปแล้วโดยโยมบาล น, นะพระยาโยมจะเตือนเราอีกครั้งหนึ่งท่านั้นจึงเท่ากับว่าเราจะต้องมีความรู้พื้นฐานในลักษณะของพระสูตรนี้ถูกไหมคะใช่ซึ่งตรงนี้เป็นเทวทูตนะอันเดียวกันกันกบที่ พโพธิสัตว์เห็นตอนก่อนออกบวชแต่จริงๆโพธิสัตว์เห็นแค่เทวทูต4อย่างแต่นะคือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะนั่นสะอย่างนี้นั่นะทำให้เจ้าชายสินทัตเนี่ยตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยฉันไปบวชดีกว่านะทําความดียิ่งยวดขึ้นไปนั่นเองค่ะคือเหมือนกับสําหรับในส่วนข้อที่4เนี่ยอันนี้นี่เป็นเป็นสิ่งที่พระพุทโธตรัสหรือว่าเป็นสิ่งที่มาเพิ่มเติมในภายหลังหนะรอ่าผูดถึงตอนพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์ใช่ไหม อันนี้เป็น เ, เป็นสิ่งที่อธิบายโดยอาจารย์อาจารย์ในที่พูดถึงว่าที่ธรรมชาติตัดสินใจตรงนั้นเนี่ยก็สอดคล้องกับพุทธโพธิ์ตรงที่ที่เบื่อหน่ายละเบื่อหน่ายเต็มที่ละนะแล้วก็ได้ออกบวชตรงนั้นก็มาสอดคล้องกับเทวดทูตสี่ส่วนนั้นค อ, อทีนี้ก็เท่ากับว่าต่อไปนี้ถหลังจากฟังรายการพอเห็นอะไรในลักษณะนี้ขอให้รู้ให้มองว่าเป็นเทวดาทูตไม่ใช่มองว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วๆไป เราเราไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลนี่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะป่วยหนักก็มีป่วยไม่หนักก็มีนะคุณไปเห็นปุ๊บเนี่ยเทวทูตเต็มเลยนะเราควรจะต้องตั้งใจว่าเฮ้เราก็ไม่พลนจากความเจ็บไค้เป็นธรรมดาเราจะต้องรีบทำความดีทางกายทางวาจาทางใจนะถึงจะถูกต้องค่ะเออดิฉันจึงค่อนข้างมีความเชื่อนะคะว่ามนุษย์เนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงก็ต้องสรุปว่ามีกรรม ไอตอนอยู่ข้างหน้าเขาอาจจะคิดได้แป๊บหนึ่งพอลงลิฟต์มาถึงข้างล่างปุ๊บเจอเหตุการณ์รอบด้านลล้วเลิฟเลินไปอีกเลิฟเลินอีกก็ต้องเตือนกันตลอดเวลาเหมือนนาฬิกาปลุกคุณโยมติวถ้าเราจะต้องเตือนเช้าๆนาฬิกาปลุกกริ๊งกริงกงกอย่างเงี้ยเราเขาต่อยแค่ห้นาทีเรากดไปเดี๋ยวอีกห้านาทีมันปลุกอีกถ้าเราใช้มีเขาเรียกฟังก์ชัน snooze อย่างเงี้ใช่ไหมมันก็จะปลุกเราทุก5นาทีแต่ไอนาฬิกาที่เป็นกรรมเนี่ย ที่จะคอยเตือนเราเนี่ยมันจะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นนะคุณเห็นตรงนี้คุณไม่รู้สุดตัวใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปมันมาเตือนมันจะหนักขึ้นนะมันจะใกล้เรามากขึ้นใกล้เรามากขึ้นจนกระทั่งญาติเราเป็นแคนที่เรารักเป็นตัวเราเองเป็นโอ้โหนี่คุณจะรู้สึกหรื อ, อยังนี่มันจะหนักขึ้นออทีนี้สมมุติเอาแค่เห็นคนเจ็บแค่ได้ป่วยอืมนะคะแล้วก็ มีความรู้สึกว่าก็เป็นธรรมดาค น, นก็มีหลายแบบบางคนกับป่วยตายบางคนกับตายเองบางคนก็ถูกคนอื่นฆ่าตายอ่าก็ไม่เห็นจะน่าตื่นเต้นอะไรดิฉันเคยพูดกับคนสูงอายุนะคะพูดทํานองที่ว่าปลงชีวิตตัวเองว่าเออเรานี่แก่ขึ้นทุกวันเลยนะน่ากลัวกันเนา ะ, ะท่านผู้สูงอายุนี่ตอบดิฉันมานะคะบอกว่า ม, มันก็เป็นธรรมดาคือดูเหมือนกับว่าไม่กลัวเลยเลยที่อยู่ข้างหน้ามันน่ากลัวยังไงล่ะคะท่านคะ อ, อ, อันนี้ต้อง ต้องต้องแคร์ไฟนิดหนึ่งว่าไอ้ที่เขาไม่กลัวเนี่ยด้วยอํานาจของโมหะหรือด้วยอํานาจของฮิริโอตปาคือบางคนเนี่ยฉลาดแล้วแลนะมีฮิริโอตปาคือกลัวและละอายต่อบาปแล้วจนกั่งตัวเองไม่ทําบาปไม่ได้ทําชั่วแล้วนะด้วยปัญญาจึงไม่กลัวอันนี้มันมี2 อ, อย่างนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราไม่กลัวอันนี้ถูกต้องนะเป็นความไม่กลัวอย่างที่เป็นกุศลหรือเปล่านะก็เป็นด้วยปัญญาหรือไม่อย่างที่คุณยมติวถามว่า ไอ้คนที่ไม่กลัวเนี่ยด้วยเหตุอะไรถึงจะถูกต้องใช่ไหมถ้าสมมติเราไม่กลัวด้วยความที่ไม่รู้อันนี้คือความไม่กลัวชนิดที่เป็นอกุศลเพราะอยู่ในอำนาจของโมหะอันนี้ไม่ถูกต้องนะเป็นสิ่งที่ผิดถูกโมหะเรา อ, อยู่นะเราคิดว่าโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีตายก็คือจบอันนี้เป็นอวิชชานะเป็นมิจฉาทิฏฐิละอันนี้กรณีที่ 1. 1หรือคนที่ เข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ล้ศึกษาคำสอนของพระเจ้ามาพอสมควรนะฉันตั้งใจทําความดีไม่ได้ทําความชั่วไม่ได้มีเครื่องป้องกันความขาดอาไว้นะพอแก่แล้วเนี่ยจะไม่กังวลใจนะพระเจ้าเคยตรัสไว้กับพราหมณ์สองคนนะอายุร้อยยี่สิบละนะเามาหาพระเจ้าว่วาเอ๊ะทำยังไงดีไม่ได้ทําเครื่องป้องกันความขาดความบาดกลัวไว้พระเจ้าก็เลยยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะเหมือนเงาของต้นอ่าเหมือนเงาของภูเขาเนที่เวลาเย็นเนี่ยมันจะเงาของภูเขามันจะทอดไปตามแผ่นดิน จะทำให้เราเห็นมาเหมือนกันไอความสิ่งที่เราได้ทําผ่านๆมาเนี่ยถ้าเป็นความชั่วในเราก็จะมีความกังวลใจความร้อนใจตอนที่ปัจจิมวัยนั่นคือเลสิบไปละสูงวัยล้ะแต่ถ้าเป็นความดีเราจะไม่มีความร้อนใจเราจะสบายใจเป็นกรณีนี้หรือเปล่านีที่เขาเห็นด้วยปัญญาว่าเออฉันไม่ทําความชั่วแล้วความชั่วไม่ดีฉันก็ไม่ทำํทำทาให้ฉันสบายใจไม่กลัวอันนี้ก็จะเกิดขึ้นได้กรณีนี้เนาะค่ะ ทีนี้หากเป็นตัวอย่างในทํานองที่ว่าเมื่อคนอื่นคล้ายๆก็ตายไม่เห็นมีใครอยู่รอบสักคนคิดแบบนี้ออันนี้ถือว่าอยู่ในฝ่ายโมหะหรือเปล่าคะเหรือว่าเขาก็ยังตัดสินไม่ได้ต้องเป็นแบบที่ท่านอธิบายไปนั่นแหละใชไ่ไม่แน่เพราะว่าเขาเห็นแล้วอธิบายเขาอธิบายต่อว่าอย่างไรเพราะว่าเขาได้ทําความเดียววาหรือเพราะว่าเขาเห็นอีกแบบหนึง่งอันนี้เราต้องต้องเลยต้องถามลึกลงไปว่าที่เขาเห็นอย่างนั้นเพราะอะไรอ S 1> <S 1> ซึ่งซึ่งเราพอจะดูได้อยู่นะว่าเอ๊ะคนนั้นก็ททำกุศลมากกว่าหรืออกุศลมากกว่าอันนี้ก็พอจะบอกได้จากการกระทำของเขาบ้างค่ ะ, <น>ะทีนี้ที่ดี่ท่านถามเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่ไปตัดสินว่าใครเขาถูกหรือใครเขาผิดนะคะแต่ว่าเพื่อที่จะให้ท่านฟังเนี่ยได้มีความรู้ในทํรนองที่ว่าแล้วการที่เราต้องกลัวในสิ่งที่เทวทูตมาแจ้งให้กับเราเนี่ย ม, มันน่ากลัวอย่างนั้นจริงหรือเรากลัวอะไร ความกลัวเราต้องกลัวอกุศลนะคือเราไม่ได้กลัวเทวทูตแต่เราไม่ได้กลัวการตายไม่ได้กลัวการเจ็บไม่ได้กลัวการเกิดไม่ใช่นะเข้าใจผิดแต่การการเจ็บการตายการพวกนี้ถ้าเราจะทำให้เราเผลอเพลินแล้วทำให้เราไปทำอกุศลเราควรจะกลัวอกุศลที่มันจะเกิดขึ้นควรกลัวตรงนี้กลัวบาปกลัวอกุศลหรืต้องกลัวนะแต่ถ้าเผื่อว่าเรากลัวแล้วน่ะแล้วเราไม่ทาอกุศล นะเราก็สบายใจไดนะ้ไอความไม่กลัวอย่างเงี้ยมันจะมี2 ส, ส่วนคือคนบางคนเนี่ยไม่กลัวนรกนะเพราะอะไรด้วยอํานาจมัวไอ้ความไม่กลัวเนี่ยนะเป็นอกุศลนะไม่ควรมีนะหรือนะทางกับการตรงกันข้ามถ้าเรากลัวผีอย่างเงี้ยโอ้โหคนกลัวผีมากกลัวความมืดไม่สามารถนอนที่มืดๆได้คนเดียวนอนไม่ได้ต้องเปิดทีวีนําไปเพื่อนความกลัวอย่างนั้นเป็นความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลไม่ดนะีมันจะทําให้เรา มุ่นงครั่งเพะหลงไห ล, ลกราฟ้ากราฟียกระด้านกระเดืองนี้แต่ถ้าเป็นกลัวแบบกลัวบาปแล้วไม่ทําบาปความกลัวเนี่ยเป็นกุศลควรมีตรงนี้ต้องแยกยะให้หนึ่งๆ อ, มมอันนี้แต่ิเฉันเชื่อว่าคงจะมีหลายคนเหมือนกันนะคะะที่ดฉันหัวเราเมื่อสักครู่เนี่ยว <laughs> เวลาไม่ใช่วเวลาเราไปพักแปลกถิ่นแปลกที่ะมาสมมติจะไปอยู่โรงแรม ซึ่งจําเป็นต้องอยู่ในห้องคนเดียวในที่ท hmm. right. uh, uh, so well. so okay. so ี่เราไม่รู้จักอเราก็เปิดไฟนอนนะคะเพราะเราก็รู้สึกมันกลัวอะไรก็ไม่รู้อะค่ะนั่นแหละนั่นแหละซึ่งถ้าถ้าตรงนี้เกิดตอนนั้นปริชาลายฝันตอนที่พระองค์เป็นบริษัทไหนมีความกลัวเกิดขึ้นบางทีนกยุงอย่างเงี้ยทำกิ่งไม้ให้ตกลงมาเพราะเนี่ยความกลัวเกิดขึ้นพราะเนี่ยปริชาวก็จับมันให้ได้เลยตอนนี้ยังเป็นบริษัทอยู่นะเป็นบริษัทอยู่นี่ความกลัวเกิดขึ้นแล้วเป็นความกลัวชนิดที่เป็นอกุศล เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ผิดในการเป็นคนมีความเพียรไม่มีวิจิกิจฉานาอนิวรน5อะไรต่างละได้หมดเป็นคนขยันต่างๆแล้วเนี่ยไอความกลัวที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ควรจะมีคือถ้าสมมติเราฆ่าสัตว์แล้วคุณมีความกลัวสมควรแล้วนะเพราะนั่นเป็นความกลัวที่เกิดขึ้นจากการที่คุณทําผิดทําบาปทําชั่วอันนี้ควรต้องมีใช่ไหมค่ะหรือว่าถ้าเราไปโกงเข้ามาเนี่ยคุณต้องกลัวสินะเพราะว่าคุณทําผิดไว้อันนี้ควรอยู่ แต่ถ้าเราไม่ได้ทำแล้วเราไม่ควรกลัวนี้ถึงจะถูกอืแต่ก็ยังกลัวอะาดิฉันไม่ได้เถียงนะคะคื อ, ะ อ, ะอะจะยกตัวอย่างว่าเอ่าก็มีคนที่รู้จักหลายคนอนะ่ะบางทีเป็นหนุ่มโอ้โหกํายําล่ำสันเลยก็ยังกลัวผี อ, อย่างไรเสียก็ยังกลัวผีดิฉันมีน้องคนหนึ่งปัจจุบันเขาก็เพิ่งแต่งงานไปไม่นานเ น, นก็เคยถามกันว่าหลังแต่งงานแล้วยังกลัวผีมากมากอยู่หรือเปล่า ก็ยังกลัวนะคะแก้ไงกันคะคือความกลัวตรงนี้มันเป็นอํานาจของโมหะเป็นความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลโพธิสัตว์ก็มีทํำยังไงต้องจับมันให้ได้นั่นคือใต้ความกลัวคือความกลัวเนี่ยมันเหมือนเป็นเลเยอร์ที่อยู่ข้างบนมันมันซ่อนอะไรเอาไว้นั้นถ้าเราลอกความกลัวออกเนี่ยจะมีความรักอยู่จะมีความรักอยู่พระอาจาตรัสอย่างนี้คุณโยมที่บอกว่าความกลัวย่อมเกิดมาแต่ความรักเมื่อพ้นแล้วจากความรัก ความกลัวจะมีมาแต่ไหนเล่านะพูดในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นไอ้ที่มันซ่อนใต้อยู่ความกลัวคือความรักที่เรารักตัวเองกลัวคุณกลัวตายเพราะอะไรคุณยังยึดถือตัวเองว่าฉันฉันต้องเป็นฉันนะฉันไม่ตายหรอกแต่ฉันจึงกลัวตายนะกลัวผีกลัวมืดกลัวอะไรต่างๆนะกลัวเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะเพราะรักตัวเองเนี่ยความรักมันซ่อนอยู่อย่างเราลูกเราไปแค่ไปเรียนหนังสือจะขึ้นรถเมย์อย่างเงี้ยก็กลัวจะเป็นนั้นๆกลัวจะเป็นตานี้เพราะอะไรคุณรักลูกไง ตอนทุกๆวันทุกวันไปส่งโรงเรียนหมดแต่พอโตขึ้นหน่อยขึ้นมัธยมจะให้ขึ้นรถเมลไปโรงเรียนกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้อะไรต่างๆเลยนะนะเพราะความรักมันซ่อนอยู่ตรงนั้นใต้ความรักไปก็มีอีกนะก็มีตัหาใต้ตันหาไปก็มีอวิชชาเงี้ยมันซ่อนลงไปซ่อนไ ป, นไปต้องขุดให้ถึงรากมันแต่พูดจริงๆลนะคะ ท่านพยายามให้เข้าใจก็พยายามทำความเข้าใจตามแล้วฉันเชื่อว่าท่านฟังทำความเข้าใจตามด้วยที่ว่าความกลัวเพราะว่ามันมีความรักรักตัวรักตัวเองจึงห่วงลูกเพราะว่าลูกเป็นสิ่งที่เรารักถูกไหมคะใชประมาณอย่างนี้ยแล้วก็อมันยากที่จะที่จะแก้ความกลัวอันเกิดจากความรักนะครับเพราะว่าดูเหมือนกับถ้ายิ่งรักลูกรัก ทรัพสมบัติรักสามีรักข้าวของอะไรเงี้ยรักพ่อแม่ดึงก็เห็นว่ามันแล้วแต่คนบางคนให้ความสําคัญ อ, อย่างนั้นบางคนก็ให้ความสําคัญอย่างนี้ไงมันมันต้องแยกประเด็นกันว่าคุณรักคุณก็ทําสิ่งที่คนที่เขารักควรจะต้องทําเช่นดูแลอย่างดีอะไรต่างๆแต่ความกังวลไม่ควรมี <ๆ S 2> มความกังวลเป็นอกุศลธรรมความกลัวเป็นอกุศลธรรมที่ที่เกิดจากความรักนี่นะเป็นอกุศลธรรมเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะต้องมีแต่เราควรจะต้องเทคแคร์ดีไหม ก็ทำตามหน้าที่ไปใช่ไหมเราก็จัดหาดีให้ลูกตั้งอยู่ในความดีห้ามลูกเสียจากบาปอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทําไม่ใช่ว่าไม่รักแล้วไม่ทําไม่ใช่เดี๋ยวผิดประเด็นแต่เราต้องทําหน้าที่นะไอรักเนี่ยทำให้เกิดความกลัวเป็นอกุศลนะเราต้องกําจัดความกลัวตรงนี้โดยเอารากมันออกแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่ทําหน้าที่เราก็ต้องทําหน้าที่ของเราอย่างดีอันนี้ถึงจะถูกนะเราก็มีความรักความเมตตายอย่างพระเจ้ามีความรักความเมตตากับสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความกรุณาด้วยจึงบอกสอน เรามีความรักความเมตตาในลูกเพราะตรงนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวเนื่องด้วยกา ร, รกุฏละมันบริสุทธิ์ยิ่งๆขึ้นไปก็ทำตามหน้าที่ตรงเไปเนอะมันมีความลึกซึ้งลงไปตรงนี้นะค่ะคือท่านฝั่งค่ะอันนี้ต้องทำความเข้าใจให้มากเลยนะคะให้เข้าถึงให้ได้ว่าอ่าสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจคือความกลัวเกิดได้จากความรักที่ซ่อนอยู่ ซึ่งบางทีเรามองไม่เห็นนะคะกลัวก็กลัวรักก็รักมันคนุละเรื่องกันอืแต่จริงๆแล้วถ้าอาจารย์กําลังจะอธิบายพระพุทธเจ้าตรัสไปเลยใช่อย่างนี้เลยอ่าพุทธพจน์ <ไป S 2> ตรงนี้อ่าพุทธพจน์ตรงนี้บอกว่าความกลัวย่อมเกิดแต่ความรักแตเมื่อพ้นแล้วจากความรักความโศกก็ไม่มีแล้วความกลัวจะมีมาแต่ไหนเล่านนี่คือพุทธพจน์ตรงนี้อซึ่งถ้าเรามาไข้กลวนไข้ครวนไข้กลวนดูจริงๆแล้วเนี่ย เรายังกลัวอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะรู้ว่าความรักเนี่ยมันจะซ่อนอยู่นี้เรามาพิจารณาดูตัวเราเองก็ได้นะคนที่จะรู้ตรงนี้ได้เนี่ยต้องมีสติก่อนนะคือมีสติจับความกลัวของตัวเองตรงนั้นให้ได้ซะก่อนนะว่าเอ๊ะเรากลัวตรงไหนกลัวอะไรกลัวเมื่อไรกลัวลักษณะไหนกลัวมากหรือกลัวน้อยเอาจับมันให้ได้รับได้รับไม่ได้เดี๋ยวไว้ก่อนนะขอให้จับมันได้ก่อนถ้ารู้ปัญหาของตัวเองแล้วเนี่ยเราพอจะแก้ได้แต่ถ้าไม่รู้นี่มันก็จะยากที่จะแก้ละแต่ถ้ารู้แล้ว แเราก็ค่อยๆ ค, คิดพิจารณาดูมันก็จะแคบๆไปได้อย่างเงี้ยจับให้ได้เรากลัวอะไรใช่แล้วก็สาวต่อไปอว่าทํำไมถึงกลัวใช่พิจารณาให้ลึกซึ้งเราจะพบข้อท็จจริงนั่นคือควมเป็นความรักที่ซ่อนอยู่ตรงนั้นค่ะอันนี้คือการใรกล้ครัวในธรรมเลยั้มคะท่านคะถูกต้องถูกต้องคนที่จะใกล้ครววได้ต้องมีสตินะมีสัมปชัญญะในระดับหนึ่งทีเดียวค่ะก็ถ้าบอกว่าจริงๆการสาวหาเหตุหาผล ในทางปกติทั่วๆไปบางคนไม่ไม่รู้ทำเลยแต่รู้เรื่องของหลักการเหตุผลในขณะเดียวกันอาจจะเป็นการทับซ้อนอยู่กับการใครค่ครวรทำหรือเป็นเรื่องเดียวกันเลย 100% เนตะครมันมันไปด้วยกันได้เพราะว่าในขณะอย่างสมมติเราเรียนสมาธิเราก็ฟังได้ยินเสียงด้วยเรากําลังเรียสมาธิเราก็ใคร่ครวญไปด้วยจิตเราก็เป็นสมาธิด้วยแลเราฟังด้วยพูดไปด้วยก็จิตเป็นสมาธิได้เนาะค่ะที่ขอนุ ญ, ญาตสรุปเลยนะคะ เ, เพราะว่าเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วว่าวันนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นที่เรามาเชิญชวนท่านปฏิบัติธรรมด้วยกันจะได้ได้กุศลตั้งแต่เช้าตรู่แล้วก็เป็นการสะสมความเก่งกาจเรื่องของการเข้าสมาธิยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทําเองไม่มีใครทําให้ได้และทําแล้วมีอ น, นิสงส์เห็นชัดเจนจริงๆตั้งแต่ตอนต้นรายการใครสนใจอยากทํานะคะก็เปิดมาตั้งแต่ตอนต้นตั้งท่าเลยคะ่ะท่านพิบูรณ์จะนําออกมาฝากวันนี้เป็นเรื่องของเทวทูตอยู่รอบตัวเรานะคะ เกิดแก่เจ็บไข้ได้รับอาทยาแล้วก็ตายล้วนแล้วแต่จะทำให้ถ้าเราใข่ครวนเป็นลรู้วิธี mm hmm. ก็จะเกิดความไม่ประมาทจะได้ไม่หลงไปทำแต่อากุศล mm hmm. แล้วก็รีบทำความดีประเด็นอย่างนี้ถูกไหมคะในบานตุ๊กกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับความกลัวเอาไปใข้ครวนดูซิว่าเรากลัวอะไรทาไมถึงกลัว จริงหรือไม่ที่ท่านเพริพูนบอกว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะรักจึงกลัวแล้วเดี๋ยวมาส่งกันบ้านกันดีไหมคะเชิญฟัง น, นะคะวันนี้ก็นำมาส ก, การขอบพระคุณท่านไพบูพู์เป็นอย่างยิ่งค่ะเชิญฟังน้อมสักการค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะดิฉันสันสนีนาคพงศ์กับรายการสันสนีสนทนาเราก็นําเอาพุทธวจนะของพระาศาสดาตรัสสอนเอาไว้นะคะแล้วก็มีพระสงฆ์ที่ตั้งอกตั้งใจที่จะทําหน้าที่ที่พระาศาสดามอบให้ คือมาถ่ายทอดบอกสอนอย่างพระพภัยบุภิปุนโนทางสถานีทิวครอบครัวข่าว FM106 ท่านเป็นพระสงฆ์อยู่ไกลถึงอุดรธา น, นีแต่ก็มาให้ทำกับพวกเราได้วันนี้ก็คงจะลากัไปแต่เพียงเท่านี้นะคะและพรุ่งนี้เรากลับมาฟังกันใหมค่ค่ะพุทธวสวสดีคะ่ะ